ญหญุดหิดมากเวลาเห็นแฟนชอบมองผู้หญิงรู้สึกว่าเจ้าชู้กันทั้งนั้นอย่างนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับกรรมของเรามีแฟนกี่คนกี่คนก็เหมือนกันอย่างนี้หมดเลยบทความโดยดังตรินจัดทาโดยหัววรันลอยอำํำนิยามของชายเจ้าชู้นั้นควรจะประมาณจีบไม่เลือกมีแฟนแล้วก็จีบหญิงอื่นอีกหรือหนักกว่านั้น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 โทษฐานอยากมองเธอนักยิ้มหวานให้ซะเลยเอาให้โดนแฟนหยิกเนื้อขาดทันทีที่รับหลังเธอนั่นแหละทำนองนั้นแล้วเท่าที่เห็นนะครับผู้หญิงประเภทนี้เองที่เมื่อมีแฟนแล้วจะหึงหวงเป็นพิเศษตั้งท่าแยกเคี้ยวกางเล็บขู่มากกว่าหญิงทั่วไปและจะเหมือนโดนสมไฟในสวงหากเห็นหญิงงามใดมาเข้าทางตามีสิทธิ์ล่อตาลอใจแฟนตนเข้า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 หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวแฟนตูมันต้องดูแน่แล้วแล้วความทุกข์ก็จะติดตามคุณไปทุกคหนทุกแห่งเพราะคุณพบหญิงงามล่อตาชายได้ทุกที่ที่คุณไปถึงต่อให้เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาลำน่าป่าก็เถอะถ้าแฟนคุณไม่ถึงขนาดซอแววหืนน้ำลายหกจริงๆมีแต่แค่ปลายตาดูเฉย